Fifty languages. Thirty-five. t r e i a i a r p o r t Al e r e r t a n I n t t i e n Me gustaría reservar un a v i n Nueva นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะ Es un vol directa ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ Un lloc al costat de la finestra per a no fumadors i us plau ดิฉันขอยืนยันการจองค่ะ v o l d r i a confirmar la meva reserva ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ บอกรีอาโนลาลาเมบารรเซร์บาดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะบอกรี i าแ a มเบียลาเมบาร์รัเซร์บาเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะคุณจะไปรัมบ์ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะไม่ เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะเนาะยานูเมสคิดเ l าง่ l ยเกี่เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะกัวนตาเรมเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะกัวเนียริเวมรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ quan surt un a u t o b ú s cabal c e n t r e de la c i u t a t นี่กระ <es> เป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ aquesta maleta és นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ a és boss นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ กวนกี่ปัจจุบุกประต้ายี่สิบกิโลกรัมนกิลอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะก๊อมนูเมสบิกิลุรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e